เพราะญาติโยนหลายตั้งใจฟังความรู้เรื่องกรรมฐานให้หนูเวลาฟังไม่ต้องนอมือลุกนะเอมือลงเะยืมือม่อมันนานหอกเพว่าในระยะต้นนี้ศึกษาเรื่องกรรมฐานอย่างก่อนประเดี๋ยวมนษยธิว่างทีหลังเพราะสุดนั้นไม่ไม่อยากวันนี้ก็ศึกษาเรื่องศีลารุ้สติกรรมฐานคพอว่าศึกษาเรื่องศีล สำหรับศิ่นี้ก็ปฏิบัติตามขอบเขตของแต่ท่านไิสู่สมณเณรปฏิบัติในศิงที่ไปสู่สมณเณรอุบาสกุบุริกาปฏิบัติในสิงี่นนอบบบุบาสกุบุริกาสำหรับอุบาสกุบุริกาเนี่ยสิ่งห้าก็ได้สิ่งแปดก็ได้บบไดนึกคําว่าอนุสติก็แปลว่าตามนึกถึง เท่กากรรมฐานกลองเนี่ยหมดหมดนี่มีสิบกองสมบัติรูสตินี่มีอะไรไม่มากคือว่าเป็นกรรมฐานเบาๆเฮ้ยตามนึกถึงสินจะหมายความว่าทุกคนเมื่อสมาทานศินแล้วการสมาทานยังไม่ก็เรียนว่าศินมีอะไรบ้างเมื่อศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้น อย่างศิ้นห้าก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดใจกรรมไม่พูดมืสาวาดไม่เืิมศรามีไรชิ้นไปก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ร่วมรักกับละคนบุคคลระหว่างเพศเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่พูดปดไม่เดิมศรามีไรไม่กินอาหารลงเวลาวิกาญจนเลยเที่ยงไปแล้ว ก็ไม่ดูขับประโคงฟ้อนลำขับร้องและลูกไล่ของหอมและไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่สำหรับกำหนดศิกก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดวิดในกรรมนี่เป็นทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร ไม่เพียบบาทจองร่างจองผานไขมีความเห็นตรงมีความเห็นถูกไม่เห็นตรงตามคำสอนพระธเจาทั้งหมดนี้เป็นสีขาบทตอนนี้วิธีปฏิบัติในสีลานุสติทำยังไงอันดับแรกก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนึกว่าสินที่เราตั้งใจอักษานี่มีอะไรบ้างมีความจำเป็นต้องรู้ ว่าสิขาบทต่างๆมีอะไรบ้างและก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาสิขาบททั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนจะไม่ยอมบกพร่องในในสินทุทขาบทแต่ว่าศินธุทศขาบทของฆราวาสําหรับของพระในต่างฆราวาสของฆราวาสนี่สินจะขาดได้จริงๆตง้องต้องหนึ่งต้องตั้งใจทำสองแล้วก็ลงมือทํา สามทำสาเร็จตามนั้นความจริงกฎถ้ามีมากกว่านี้นะอย่างย่อจะไม่ง่ายสมมติว่าการฆ่าสัตว์เราคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์ตั้งใจจะฆ่าด้วยความจริงใจและก็ลงมือฆ่าสัตว์ตายตามความประสงค์อย่างนี้สิ้นขาดแต่ถ้าบาังเอิญเราไม่เห็นยนื้อมดปลวกหรือสัตว์ต่างๆที่เรามองไม่เห็นมาเหยียบตายได้ เมื่อเอินเดินไปได้เหยียบมดตายหมอบหลวงตายสัตว์ได้เล็กตายถ้าหากว่าเป็นสัตว์ใหญ่หน่อยแล้วโยนของไปไม่มีเจตนาจะฆ่ า, าคือไม่เห็นหรือว่าตั้งใจโยนไปแล้วจะพลาดไปแล้วปล่อยไปแล้วก็เอินสัตว์เดินมาถูกสัตว์ตัวนั้นตายอันนี้สินไม่ขาดก็อย่าลืมว่าจำง่ายๆว่าสินจะขาดได้แต่เมื่อตั้งใจทํา และกระลงมือความทำตามตั้งใจได้งานนั้นสำหรับสำเร็จผลตามที่เราต้องการถ้าเราตั้งใจฆ่าลงมือฆ่าแล้วแต่บังเอิญเขาไม่ตายสิ่งข้อปานาทิบายก็ยังไม่ขาดข้อรือนไม่กันสําหรับของพระนี่ไม่เหมือนกันสิลงของพระบางสิกขาบทตั้งใจที่มีแต่ไม่มีจิตกะ มีประกอบก็โดยจิตตั้งใจทําถ้าทําตามนั้นแล้วเป็นอาบัติก็คือบาปแต่ว่าบาลที่ขาบทไม่ตั้งใจทำพลาดพลั้งก็บาเปเหมือนกันถ้าเบียบบาเปเหมือนกันที่ตนนี้มันว่ากันเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นฐานะที่ตั้งความดีคือเป็นการฝึกเยะทรงศีลวิธีการฝึกทรงศีล น, นั้นนอกจากนึกถึงศีลแล้ว ก็ต้องมีคุณธรรมอีสองอย่างประกอบกันถ้าขาดคุณธรรมอีสองอย่างไม่ร่วมกับใจอย่างนี้ศีลอาจจะบกพร่องได้คุณธรรมที่ทำศีลนั้วไม่บกพร่องก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารสองรายการนี้ประจำใจ ชินทุกที่ขาบทจะไม่บกกร้องถ้าขึ้นชื่อว่าสัตว์หรือคนที่เรารักเราก็ไม่กล้าจะทาร้ายและไม่กล้าจะฆ่าสัตว์หรือบทคลที่เรารักเราก็ไม่เราก็ไม่กล้าขโมยเขาสัตว์หรือบทคลที่เรารักเราก็ไม่กล้าทําลายจิตใจเขาสัตว์หรือบทคลที่เรารักเราก็ไม่กล้าพูดบทมดเท็ด แต่คนที่เรารักมีอยู่ในปกครองของเราในอยู่ระหว่างร่วมของเราเราก็ไม่กล้าดื่มสุรามีไรเพราะปัจจายเป็นปัจจัยสร้างความเล่าร้อนอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าทุกคนเท่ามีเมตตาความรักกลมนาความสงสารที่เรียกว่าสองในสี่สองสอ ง, สองในสี่ของว ม, มิฐานสี่เท่านี้ศีลบริบูรณ์ แต่ว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนปฏิให้จิตทําจิตได้ทรงพรหมิหานสี้ครบถ้วนจะได้จิตมีความสุขถ้าจิตทรงพรมหมฐานสี่ครบถ้วนอย่างนี้สิ่งก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวเป็นชานง่ายปัญญาในการดั้นใช้วาสนาใหญ่ก็แจ่มใสมีการเคร่งตัว พร ม, มิหารสีนี่ต้องประจําใจตลอดวันตลอดคืนใ น, นหมายความว่าถ้ายังเตืนอยู่เพียงใดใจเขาเราจะครองพร ม, มิหารสีไม่ยอมให้คราพลาดจากิหารสีพร ม, มิหารสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรู้สึกตั้งความรู้สึกในใจไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคนทนได้สัตว์ทั้งโลก เราจะไม่มีเวรมีใครกับใครเราจะไม่คิดเป็นศัตรูกับใครเราจะาเป็นผู้หวังดีกับคนสัตว์ทั้งโลกเสมอกับตัวเราในการข้อที่สองกรุณาความสงสารมีลมตั้งไว้เสมอว่าเราจะไม่เราจะสงเคราะห์ บ, บุคคลสัตว์ให้มีความสุขถ้าผูดด้ใดก็ตามมีความทุกมาถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้ เราก็จะช่วยเขาผู้นั้นมีความสุขตามงกาลังที่เป็นจรินช่วยได้ความจริงเท่อกาศช่วยยังไม่มีแต่จิตคิดอยู่ก็ใช้ได้สามุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าที่สยามใคร ใ, ใครได้ดีพรอยินดีด้วยและก็สี่อเบขาจิตวางเฉยในที่นี้หมายถึงเฉยเฉยด้เหตุในเหตุที่สุดวิสัยที่เราจะช่วยได้ ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับสัตว์อะไรเกิดขึ้นกับคน <c oughs> ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถช่วยเหลือได้เราช่วยถ้าเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราก็วางเฉยและไม่ซ้ำเติม <c oughs> ถ้าจิตใจเข้มรวดาญาโยงบริษัททุกคนและทุกท่านพระทุกองค์เหมือนกันถ้าตั้งทงในพรมิหารสี่ได้จริงๆทุกคนจะมีศีลไม่บกกร้อง และการเจริญสมาธิจิตใจจะปลอดโปรง่งจะทรงสมาธิได้ดี <c oughs> ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสนาญาณ <c oughs> ก็จะมีความเข้าใจคล่องยิ่งขึ้นมีการคล่องตัวปัญญาดีขึ้นนี่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะส่งสินให้บริสุทธิ์ <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันว่าการฝึกสมาธิถ้าเราเจริญศีลาอนุอสติกรรมาฐาน ถ้าตั้งใจจะทรงอารมณ์สินให้เป็นสมาธิอันนี้มันตรงๆไม่ได้คาว่าสมาธินี่เป็นได้แต่ว่าการเป็นฌานทรงตัวนี่เป็นยากปานุสติส่วนมากจะทรงสมาธิอยู่ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นอย่างสูงก็มีบางกรณีเช่นป า, านุสติเป็นต้นเนื้อกายกรดานุสติอันนี้อาจะถึงฌา น, นึ่ง นอกจากนั่นก็จะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตอนนี้ถ้าบาังเอิญเราจะเจริญศีลานุกติทำให้เป็นฌานแล้วก็ตอกรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยนั่นหมายความว่าเราตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์วันทั้งวันคืนทั้งคืน จดจำคอยระมัดระวังไว้ว่าสิขาบทที่เราจะปฏิบัติมันมีอะไรบ้างอย่างบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติในสิ้นแปดก็ศึกษามาไละอาจารย์ที่พูดในเบื้ 8, องต้นว่าสิ้นแปดมีอะไรอโบสถมีอะไรเราก็ระมัดระวังไอ้นี้วิธีระมัดระวังคอยกำลังใจคิดถึงเสมอเสมอไม่เอาจะลืมก็จะลืมได้ ก็ต้องใช้อายการช่วยการสร้างสติสมัมปชัญญะสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างสติสมัมปชัญญะคือสติคือความรู้สึกสมัมปชัญญะคือความรู้ตัวสตินึกนึกขึ้นมาว่าจะทําอะไรสมัมปชัญญะรู้ตัวทําอะไรแล้วตอนนี้การที่จะนึกมีการคล่องตัวอย่างนี้จะต้องฝึกทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิสูงขึ้น ฉะนั้นในฐานะที่เราศึกษาในศีล า, า, า, า, านุส <c oughs> ิตกรรมฐานก็ไม่ได้ห้าม <c oughs> ที่ญากรรมฐานอื่นเข้ามาช่วย <c oughs> อันดับแรกก่อนที่จะตั้งต้นภาวนาการภาวนาถ้าจะใช้อะไรก็ได้อันนี้เข้ามาจำกัดจะภาวนา ว, นาวนสีหลังสีลังก็ได้แต่ว่าทางที่ดีคําามาสีหลังไปที่ของศีล สินเราควยจะนึกว่าสีข่ขาบทที่เรากําหนดว่าจะปฏิบัติมีอะไรบ้างกําหนดใจไว้ว่าทุกสีข่ขาบทที่เราจะไม่ทําให้เผลอไพลไม่ละเมิดไม่ลืมเลือนหลังจากนั้นเอาจิตใจไปจัดพระพุทธรูปเพราะศินมาจากพระพุทธเจ้าเราจะรู้จักสินได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสินไว้เอาพุทธานุสติเข้ามาช่วยหลังจากนั้น ถ้าจับพระพุทธรูปก็ภาวนาว่าพุทโธนึกถึงศีลเะก่อนพอนึกถึงศีลเข้าใจในศีลดีแล้วแล้วตั้งใจจะสรงอารมณ์ให้ดีก็สร้างสติสัมปชัญญะโดยทางจิตให้สมาธิสูงขึ้นถ้าจับพุทธาสติช่วยจะไม่ขัดกันอย่างหนึ่งสมาธิจะสูงถห้ศีลยผอใส่ก็ให้ภาวนาว่าพุทโธ ให้กรรมาฐานสองกองอีกเข้าช่วยคือว่าหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงว่าพุทธเจ้าสองอนาปานุสตินึกเพื่อลมหายใจเข้าออกสําหรับอนาปานุสตินี่ทิ้งกันไม่ได้เลยเมื่อรู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกก็ภาวนาตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวทโธถ้าหากว่าจะเอาให้สมาธิทรงตัวกันจริงๆ สมามารถจิตเป็นฌานได้เร็วและทรงได้นานก็จิตจับพระพุทธรูปคือเลือมตาดูพระพุทธรูปก่อนถ้าจำภาพพระพุทธรูปได้ขณะที่จำไม่ภาวนาพุทโธก็ได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปเท่าที่จำได้แล้วก็ภาวนาใจเข้านึกว่าพุทธธใจออกนล้ ว, วโธถ้าภาพนั้นเลือนไปจากใจ จะลืมตาดูภาพพระรูปใหม่จําได้แล้วก็หลับตาภาวนาใหม่ค่อยๆทําอย่างนี้ถ้าจิตรู้สึกว่าจะเฟื่องไปจะมีอารมณ์กระสับะส่ายมากขึ้นทนไม่ไหวก็เลิกเสียถ้าทําอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานนักจิตใจเขม้มรวดท่านพุทธบริษัทจะเข้าถึงฌานสมาบัติถ้าการจับภาพพระรูปดีเป็นได้ใช้ง่าย ถ้าทุกคนจับภาพพระพุทธรูปด้วยภาวนาว่าพระโถด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยก่อนจะภาวนานึกถึงศีลด้วยอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานหลายกองร่วมกันในเวลาเดียวกันการนึกถึงศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนาปานุสติกกรรมฐาน การภาวนาว่าพุทโธได้เห็นภาพภาพระพุทธรูปเป็นพุทธาตุติกรมฐานอันนี้ถ้าพระพุทธรูปมีสีเหลืองก็เป็นกระสินด้วยเป็นปิตากสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอาทาตะกระสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสก็เป็นอาโลกระสินถ้าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีตกระสินถ้าพระพุทธรูปสีแดงก็เป็นโรหิตกสินเป็นกระสินในตัว ในฐานะที่จะเริญพุท ธ, ธานติจำภาพพระเป็นกระสินอันนี้สมาสมาที่จะทรงตัวเร็วเราจะรู้ว่าสมาธิเราเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนถ้าสมาธิไม่เคลื่อนภาพพระที่เราเห็นนึกในใจมันจะจางไปแลอหายไปแล้วก็ทราบว่าเวลานิสมาที่เราเล่าเคลื่อนตัวจะสลายตัวแล้วก็ลืมตาดูภาพพระใหม่แล้วก็หลับตา อย่างนี้ต่อไปไม่ช้าไม่นานานาักจิจจะมีสมาธิส่งตัวสูงขึ้นเมื่อจิตทรงสมาธิดีขึ้นสินก็จะส่งตัวมากขึ้นตอนนี้สินกับสมาธิให้สังเกตว่าสมาธิจะตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยศิลถ้าหากว่าสินบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าคนที่ฝึกมโนยิทีแล้วให้สังเกตง่ายขึ้น ถ้าศีลบกคร่องสมาธิบกคล่องทิพยานจะมัวลงแล้วถ้าบกคร่องในศีลมากขึ้นทิพยานจะดับไปอันนี้บางที่สังเกตง่ายจะนี้ก็คุยกันมาก็นานไม่เวลาประมาณสิบสี่สิบสองนาทีจะนี้ก็จะเอาตัวตัวอย่างบุคคลที่รั้งสาศีลอย่างแก้วกลาว้าเพราะเราเป็นตัวอย่างคือคณ ะ, ะพระนางสามาวดี ซึ่งเป็นมเหสีคนที่สองของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์คำนั้พระนานสามาวดีนี่ก็มีศัตรูคู่แคนขงข้อความจริงไม่ใช่คู่แค่ง น, นี่ฝ่ายหนึ่งเขาเป็นศัตรูคนเดียวคือพนมามาคนียาพระนางมาคนียานี่ประวัติความเป็นมาของเธอสมัยก่อนน่าจะมาเป็นมเหสีของพระเจ้าเทน เวลานั้นเธอเป็นคนลูกสวยใครก็มาขอแต่งงานด้วยพ่อกับแม่ก็ไม่ให้เพาถือว่าศักดิ์ศรีไม่พอไม่พอความสวยของลูกสาวต่อมาพระบิดาเจ้าคงทรงเห็นปฏิสัยของศักตว์ว่าสองคนตายยายพ่อกับแม่เขาเป็นนางมาศริยาถ้าฟังเทศจบเดียวจะได้พระอนาคามีสมเด็จพระจินาศีเจีงสเส ด, ด็จมาโปรดมายืนอยู่หลังบ้าน ฝ่ายท่านพ่อไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามีรูปร่างหน้าตาโคทรสงศสวยพิพันธ์สวยก็คิดว่าคนนี้ควรจะเป็นลูกเขยของเราคู่ควรกัลูกสาวของเราเย็บบอกว่ารอก่อนฉันมีลูกสาวจะนํานลูกสาวมายกให้พอเข้าไปบ้านให้สั่งให้เมียแต่งตัวลูกสาวกลับออกมาพระพุทธเจ้าถอยหลังไปยืนห่างจากนั้นไปหน่อยถ้าสมบัาิให้แต่สองสามคนไม่เห็นองค์ท่านเห็นแต่รอยเท้า พ อ, อ, อกมามองไม่เห็นแล้วท่านตาก็บอกกับท่านยายบอกว่ากี้นี่นั่งตรงนี้นี่นะไม่รู้หายไปไหนท่านยายเป็นคนเก่งในไตรเพศคือจบไตรเพศหลักสูตรองครามและเก่งในการดูลักษณะก็ดูรอยเท้าเห็นรอยเท้าสมัอกันก็เลยบอกว่าตาคนประเภทนี้แต่เขาไม่แต่งงานกลูกสาวของเราหรอกเพราะว่าเป็นคนหมดกิเลสแล้ว ก็ไปไปมาพระยากรลักษณะรอยเท้านี่ไปขอพูดเวลาวกับฉันต่อมาพ ร, าพระเจ้าแสดงพระองค์ปรากฏท่านพรามก็นำลูกสาวจะไปยกให้พระเจ้าบอกว่าลูกสาวของเธอไม่มีความสวยสดงดงามอะไรยังลูกร่างเลวกว่านางตัญหาราคาดีในวันโรรลุโอษสมาธิโพธิญาณซึ่งพระยามาส่งมา ลูกสาวของท่านในสกปรกทั้งกายข้างในเต็มด้วยมดกรก า, ารีคือเต็มไปที่ได้เยี่ยวไม่ยอมรับมาคณียาฟังแล้วก็เจ็บใจโกรธหลังจากนั้นพระพเจ้าก็เทพโปรดพ่อกับแม่เป็นพระอนาคามีเมื่อพ่อเป็นแม่พระอนาคามีก็ตามไปบวชอยู่พระเจ้าส่งลูกสาวให้อยู่กับน้องชายของพ่ออาต่อมาอาก็ส่งมาเป็นทัพประชาชนพระเจ้าอุเทนรงษ์ศักด ต่อมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมือง น, นั้นมาคันธียารูปขา่าพุทธเจ้าเสด็จมาก็โกรธแค้นใจจองล้างจองผลาญเจ้าพระพุทธเจ้าจะหาทางแก้มือให้ได้ท่านอภายในไม่ช้าก็ปรากฏว่าพระนางสามาวดีข้องกันโดยิวารดิฆ่าร้อยเป็นมัทสดาบันพระคําสอนเขา อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาวันหนึ่งพระนางมาคันธียา หวังจะแกล่งแกล้งพระเจ้าเทีนเกลียดพนางสามาวดียิงบอกให้อาอาของตัวเองเอาไก่มาแปดตัวคือเอาไก่ตัวผู้เอาไก่เป็นมาแปดตัวเอาไก่ตายมาแปดตัวและตอนแรกตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าเทียนกำลังกินเหล้ า, ขาเขาจะสวยท่านจังเขาบอกว่าการกินเหล้าแบบนี้น่าจะแกงไก่แกงไก่ร่วมกับเหล้าจะดีไหม พระเจ้าเทียบอกเออแกงอ่อมอร่อยมากใครจะเพิ่งแกงพนาคมนญยาบอกคณะพนาสามาวดีไม่มีงานอะไรให้แกงกันเลยกันเมื่อพระเจ้าเทียนเห็นด้วยมาคณิยาก็ส่งทัญญาให้อาส่งไก่เป็นไปให้คณะพนาสามาวดีคณะพนาสามาวดีเห็นเข้าก็คิดว่านี่ไม่ไก่เป็นฉันเป็นคนรักษาศีลฉันไม่ฆ่าสัก ก็ส่งไก่กลับมาเมื่อกราบคุณว่าเอาเราทุ่ราชา ว, ว่าเวลานี้พนางคณะสามนาวศ ม, มาวดีไม่ฆ่าไม่แกงไก่ให้พระเจ้าทีนก็ไม่ว่าอะไรเฉยต่อมาพระนานมาจายบอกว่าพนางสา ม, มาวดีเนี่ยม่อมฉันเคยกล่าบคุณแล้วว่าเป็นชูกับพระสมณโคดมฉะนั้นลองสั่งให้แาแกงไก่ถาวายพระสมณโคดมเท่านั้ พระเจ้าเทียนก็ทดลองตามนั้นเจ้าอาก็เอาส่งเอาไก่ตายไปให้คณะพนังสามาวดีในเมื่อไก่มันตายแล้วคณะพนังสามาวดีก็พร้อมจะทำถ้าเกิดแกงส่งไปให้พระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้านี่การรักษาสาินบรรดาญาโยมวัตถุสัตว์ถ้ารักษาได้จริงๆความเป็นมาก็เช่นเดียวกับพนางสามสามาวดีและคณะคือจะมีความเด็ดเดี่ยวขึ้นชื่ว่าบาปเราไม่ทัน ถ้าคำาบาปแล้วเมื่อจะสินหห้ก็ดีสินแปก็ดีที่รับปฏิบัติเราไม่ทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งของพระโสดาบันอัตบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัท ต, ตอนนี้ไปก็ฟังคำแนะนำในเกิ น, นจรนารย์มโนมยิทิคำว่ามาโนมยิทิแปลว่ามีลิขทางใจและหมายความว่าทำใจให้เป็นทิพซะก่อนเมื่อใจเป็นทิพแล้ว สาหา่าสามารถเห็นเทวรรดาเห็นนางฟ้าเห็นผีเห็นพรมได้เยญะต้นต้นถ้าสามารถเห็นนิมิตทิพยรายกฏเฉพาะหน้าได้คำว่าเห็นนี่ไม่ใช่ดวงตาเห็นในใจเห็นถ้าคําว่ามโนยุทิปแปลว่ามีทิพ์เฉพาะใจไม่ใช่ตาอันดับแรกทุกคนต้องได้ทิพย์กุยายก่อนคําว่าทิพย์ุยายนี่มันคือจิตเป็นทิพยตาเป็นทิพย์ ในเมื่อก่อนที่จะได้พลกปยายก็ต้องปฏิบัติตามนี้คอก่อนที่จะปฏิบัติจริงๆก่อนจะทำให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไป็ น, นจั ก, กรวาลทั้งหมดตามที่กล่าวแล้วคิดว่าเรานี่จะไม่เป็นศัตรูกับใครเลยทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีกับของคนแลสัตว์ทั้งหมดจิตจะได้มีความสุข ถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่รจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตั้งใจตามนี้ ก, ก่อนถ้าต่อไปก็กําหนดศินว่าสินทุกสิขาบทที่เราสมาทานมาแล้วนมีอะไรบ้างไม่รู้ในเมื่อเราบอกสินทุกขาสิขาบทมีอย่างนี้เราจะปฏิบัติศีลอย่างนี้คกท็ทนจะไม่มีจิต อ, ร อ, รอารมณ์ใดาอารมณ์นหนึ่งคิดทําลายสินข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อจิตทรงพร้อมมีเมตตาจิตดีกุณาดีสินส่งตัวหลังจากนั้นก็ขอบรนดาท่านพุทธบริษัทกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเมื่อเวลาให้ใจเข้าก็รู้อยู่วาให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่วาให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามอันะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพภะทะ เขาไว้ครั้งหนึ่งนะว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามมณัสมะให้ใจออกนึกตามปภะทะ <c oughs> แต่เวลาให้ใจปล่อยการให้ใจไปเรื่องของร่างกายร่างกายใ้ใจแรงหรือเบาไปเรื่องของร่างกายหลังจากนั้นถึงเวลาที่ครูแนะนําตอนนั้นเมื่อเข้าเข้า ท, ที่ปฏิบัติ <c oughs> ถ้าครูก็จะปล่อยให้ภาวนาแบบนี้ประมาณสิบนาที หลังจากนั้นเขาแยกเข้าสอนเมื่อครูเข้าแนะนําครูก็สอนตอนนั่นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไม่หยุดแล้วก็เลิกรู้ลมหาใจเขาออกเอาจิตใจไปตั้งใจรับฟังเสียงคำพูดคำแนะนําเขาจะแนะนําธรรมะด้านตะกีเลศเพื่อจิตจะได้เป็นคลิป เวลาที่ฟังเขาแนะนําจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทละน้อยจนถ้าจิตว่างจากกิเลส่วงคราวเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์จิตก็เป็นทิพย์ให้เขาเห็นว่าอารมณ์จิตเป็นทิพย์เขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมเมื่อเขาถามเรื่องความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกว่มีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัว ถ้าต่อต่อก็มีท่านก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายความรู้สึกเป็ความรู้สึกไงก็ตอบทันทีเหมือนกันเขาถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวในเสื้อผ้าสีอะไรถ้าตอบตามความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกของคนไม่เสมอกันคนที่มีจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพให้เชื่ยความรู้สึก คนที่มีจิตสะอาดแปลงกลางมีความรู้สึกเข้าจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนักคนที่มีประจิตสะอาดมากมจิตเห็นภาพนั้นมจิตมีความรู้สึกก็จิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแต่ว่าทั้งหมดก็ขอใเชื่อความรู้สึกแรกเป็นสาคัญจะไม่ผิดอรัตนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทตอนนี้ไปเขาบรรดาทางพุทธบริษัททั้งหลายหันหน้าไปทางพระรูกตั้งใจสมาทานศีล ส, ส ม, าามาทานกรรมฐาน